ก็อยากจะพูดอยากจะแสดงอุนใจนะนี่พระสงฆ์มากนมนมแฉะอุนใจที่ได้หลวงพ่อกลมมานั่งอยู่ใกล้ๆญาติโยมก็เห็นอยู่เฉพาะหน้านี่ไม่ใช่เราเพ้อฝันอะไร ลานี่เรามาดูสิ่งเดียวกันมาดูการแสดงโชว์ของชีวิตเราบัญโ์หลายเรื่องหลายเราสารพัดอย่างโชว์ความหลงโชว์ความสุขโชว์ความทุกข์โชว์ความโกรธกิเลสตะนาต่างๆสนุกดี สนุกทุกบ้างสนุกหลงบ้างมันหลงก็สนุกไปเห็นมันโอ้โอ้เออเอาเออเอาอเอาอก็เห็นของจริงอะ <c oughs> อันก่อนหลงตาได้พูดว่ า, าได้พูดถึงเรื่องหลังหับการปฏิบัติธรรม อ, อันโชว์ขัางสุดท้ายคือขนันธ์ อันโชว์แล้วเกินโชว์มันคลองมาอย่างผู้ที่เจ้าทรงแสดงทรงสังสอนให้สาวกกําหนดสาวกทั้งหลายกําหนดลูกอย่างนี้คือลูกเป็นยังไงในาอะนิจ่าสัญญาจ่าสันขานเนยจ่าวิญญาณในจังพระผู้เจ้าทรงแสดงทรงสังสอนสาวก ต้งร้อยเช่นนี้เป็นส่วนมากสวโบกของพระเจ้าก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากก็มาเห็นว่ารูม้มันมันแสดงออกมาเหมือนกับคนห้าคนต่างคนต่างทำหน้าที่ของกันและกันแสดงมีบทบาทต่างกันรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดี สังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนี่เป็นภาษาบาลีรูปคือการสัมผัสรูปวหเด่งคือการจิบหายพรร้อนพอเพรหนาวรูปวหเด่งคือมันเกิดบรนดับได้ทุกภบทุกชาติมาเป็นตัวตั้งตัวตือเวทนาคือการแสดงรสชาติสุขว่างทุกข์ว่างไม่รสชาติ สัญญาคือเจ็บความออกมามันไปแสดงอะไรก็ติดเรื่องนั้นหลัขงขๆก็เอาม า, าลำดับลำนำอยู่เรื่อยเช่นเขาว่ากัเราเขาว่ากับเราเ ข, า ท, ขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้คนที่เป็นอย่างนั้นคนที่เป็นอย่างนี้มันลำดับลำนำสัญญาก็ มัก็ติดเป็นเหมือนเช่ า, าพก็ย้อมอะไรมาก็ติดเป็นวิญญาณก็เก็บเอาไว้แล้วไม่อยอมไปไหนตั้งแต่เกิดจนตายทุกจนตายหลงจนตายโกรธจนตายโอ้โอพระเจ้ายังให้ตาแนกออกว่าโูกไม่เที่ยงเปธนาคไม่เที่ยงสัญญามไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยง เห็นแคกเห็นเขาชูแต่ก่อนเมื่อกเราดูการเสิงตนมีรสชาติไปกับเขาเขาไม่ไอตีไปเอาแป้งอยู่ล้านเจ็กติ่งมาให้สักกระป๋องเขียนชื่อนายตีเสกระดาษจุดไฟ เกดไฟให้ไฟไหม้กระดาษแล้วหย่อนลงไปในกล่องปิดกล่องไว้เอาไอ้ตีไปแล้วตีไปแล้วเอาแพแป้งบ้านเจ็กติ่งมาแล้วเอามาเปิดดอกไปเปิดดูเห็นแป้งเต็มกล่องเลยเ อ, อก็มีรสชาตินะแม่มไม่ทำได้ยังไงเล่นคนเต้นเต้น พอมาลู่เราโอ้ยมันเป็นกระป๋องสองชั้นเปิดช่องหนึ่งก็ยังมีควันไฟกระดาษไหมควันออกมาอึมฮนะมันก็เล่นคนละไม่เสร็จไม่เป็นของจริงความทุกข์ไม่เป็นจริงความโกรธไม่ใช่จริงความหลงไม่ใช่จริงความสุขความทุกข์ไม่ใช่ของจริงควาไม่จริงความจริงคือความไม่เป็นอะไรเห็นเงื่อนไขของขันห่านะฮะ อย่างยอดเยี่ยมเลยจับได้ไล่ทันยอมรับสภาพความเป็นจริงของขันต่างๆก็เลยหยุดนะหยุดเจ็บจริงเจ็บของขันหลังให้กันหันหลังให้กันเลิกลากันนี่หมายถึงบบไมออมาเหมือนเช่นนั้น <c oughs>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 เป็นศาสตร์แห่งความรู้ตื่นขึ้ น, นมาจากสิ่งเหล่านี้ไปอย่าหมกมุ่นจนสิ่นพบเสียพบเสียชาติเกิดมาเลยทีเดียวมีประโยชน์มากชีวิตของเรานะไปพวกเราพระพุทธเจ้าทงชัยพระหันรัะตนตัยของเราโชว์กอยู่แล้วอย่าทอดทัอย่าทอถอ ย, อย เราก็มีเพื่อนอยู่อุ่นใจพระโลกนั่นอยู่ตรงนั้นพระโลกนี้อยู่ตรงนี้ว่าจุบวาจิกาอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันอุ่นใจเวลานี่เพื่อนเราคงจะเดินจงกรมเวลานี่เพื่อนเราคงจะทําสมาธิสร้างสติเราอยู่ในภาพเพี้ยนใดเวลานี่เราหลงเพื่อนเราคงจะรู้สิ่งที่เราหลงเราโมโมหลงควมหลงอยู่นี่เลย เพื่อนของเราเขาไม่หลงแล้วเราจะมาทุกอยู่นี่เพื่อนของเราไม่ทุกแล้วเขาไปแล้วอุปมาอุปมาสอนต่วเองมันทำให้แก้วกล้าขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมาไม่หวั่นไหวครับเชงไงดาเพื่อนเราเคียรเราอยู่อย่างนอกก็หลายชีวิตอยู่ที่นี่เงินแก่กล้าแก้วกรามีสติมีศีล มีปัญญามีสมาธิรอบรู้ทำให้แก้วกล้าขึ้นมาไม่ไม่มีสิ่งใดที่จะถอยหลังเดินหน้ามันก็มีเหมือนกันบางครั้งมันเกิดปิติเกิดประจุทธิในการแก้วกล้าที่มีที่เกิดขึ้นกับตัวเองแก้วกล้ามากทีเดียวก็จะ อย่าไปหลงจนไม่กินข้าวกินน้ำบางทีมันไม่อยากกินข้าวเลยมันกินทด้ลายก็อิ่มจะไปไหนไม่กลัวเลยช่างก็จะไ่ทาลายเสือก็ไ่กัดงูก็ไปกัดแต่ก่อนคติเบอร์คติสิบสามเนี่ยอยู่ไกลที่สุดทางก็ไม่เหีเดินพอเท่าหลวมเท่าไปเตะปลาเตะดอก ไม่ต้องใช่ไปฉายคิดว่างูก็ไปกัดกลางคืนก็เดินมาเวลาไก่คำวัดตอนเช้าเดินไปเดินมากลางคืนไม่คิดว่าแต่ก่อนงูก็มีเสือก็มีช้างก็มีอย่างอยู่มหาวันผู้หลงเน่ยช้างก็ยังมีเสือยังมีลิงก็เยอะ เลี้ยงนี้เป็นร้อยๆพันๆแต่เวลาเราเดินผ่านไปมันหยอกล้อเราทาท่าทำทางก็เชื่ว่าเป็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่ากลัวมันแจ้วก้ามากอความทุกข์ที่เราอ่อนแอ้มันเข้มแข็งความหลงที่เราเคยหลงมันมันลู้แจ้งไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอุปสรรคในการข้าวหน้าของเราการปฏิบัติธรรมนี่ย มันจึงเป็นสมบัติของเราแท้ๆแม้แต่การเจ็บการป่วยก็แก้วกล้าไม่กลัวนี่ยังอยู่ในหูเห็นเด็กคนหนึ่งถูกงูงกัดไปเลี้ยงควายอาอยุประมาณสิบปีสิบเอ็ดปีฝนตกใหม่ไปเลี้ยงวัวปล่อยควายไปเลี้ยงพันธุ์เท่าไฟหวาน พอดีก็กบสมัยก่อนมันมีสัตว์ตวมีกบมีอึ่งมีอะไรเยอะๆนะพอดีกบมันก็โดดลงในน้ําบวกน้ํำขังใหม่มกำลังล้องกําลังผสมพันธุ์กันฝนตกใหม่อึ่งก็ล่องกบก็ล้องให้เด็กก็ลงไปงมเอากบที่มันโดดลงไปในน้ําพองไปงองไปงูมันกัดมือ งูมันกัดมือแล้วก็เด็กคนนั้นก็ขึ้นจากน้างูก็วิ่งตามเด็กวิ่งขึ้นจากน้ามาตามเด็กคนนั้นแล้วก็เข้าลูลเด็กคนนั้นก็เจ็บปวดร้องให้ถามกันเข้ามาบ้านเด็กคนนั้นร้องว่าผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายเอาผมไว้ด้วยเอาผมไว้ด้วย แล้วไม่มีใครพูดสักคำ่าจะให้เด็กไปยังไงทำยังไงเพราะนั้นเขาต้องการอะไรมันจึงล้องงางขึ้นมาคนเจ็บคนป่วยร้ายชีวิตกลัวต า, ายากลัวเจ็บเพราะนั้นเราเนี่ยควรจะมีอะไรที่มันแก้ข้าเรื่องนี้บ้างแน้ไปช่วยคนพวกนี้ โดย พ, พระสงฆ์เราหรือทุกคนที่นี่ให้มีกิจการ น, านั้นขึ้นมาไปช่วยคนเจ็บคนป่วยคนจะตาย ม, มีปัญญาไหมจะทําไงเคยไหมเคยเจ็บเคยพ้นจากความเจ็บอย่างไรเคยทุกข์เคยพ้นจากความทุกข์อย่งไรเคยกลัวเคยพ้นจากความกลัวอย่งางไรก่อเกิดเจ็เจ็บตายมันพ้นไปอย่งไรมันมีพระเจ้า กัญชาตาของเราเห็นเรื่องนี้จริงๆเราจรึงจะมายอมให้เสียงเหล่านี้โชวอยู่เลยเราจะต้องกลัวคิดถึงความเจ็บก็อ่อนแอไปเลยคิดถึงความแจกอ่อนแอคิดถึงความตายก็อ่อนแอไปไม่ใช่ความอ่อนแอเป็นกีฬาของพวกเราธรรมะเนี่ยอจึงถ้าทายกันเรือเกินะพวกเราเนะ่นานเรือเกิน ที่เราเวียนว่าอยู่ในพบน้อยพบใหญ่อย่างที่เราตรวจหน้ามาพบน้อยพบใหญ่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเกิดเล้เวเกิดเ อ, ๆๆอลูกเล่าทุกเอกลักเล่าลักอีกชังเล่าชัางเอกเสียใจดีใจเรื่องเดียวมันไม่ใช่ที่ที่จะต้องมาค่องอยู่มันไปพ้นได้การปฏิบัติธรรมนั่น จึงขนขวยได้ด้วยความสุขขมด้วยความสนุกสนานการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากลบาบากจะได้ไหมน้อัวจะไม่ได้ทํำไรไหมน้อัวรทำมาได้ไไไดจะผิดจะจะถูกจะสุขจ ะ, จะทุกข์กันจะทนได้หรือเปล่าไม่ต้องอยู่ตรงนั้นปภาวะรูสึกตัวเนี่ยมันเหนือแล้วพลิกมือกันก็รู้มามาเห็นตัวรูแล้ว ดำเนินไปในทางนี้ไปลู่ไปลู่ไปลู่ไปมันก็ผ่านตัวหลงนั่นแหละตัวลู่ไม่ได้ไปอยู่กับที่เราลู่เข้าไปก็ผ่านตัวหลงไปเรื่อยไปไม่ใช่ตัวหลงอยู่ข้างหน้าตัวหลงอยู่ข้างหลังเรื่อยไปเหมือนเรา ผ่าต้านข้าวที่ก็ออกรวงเดินผ่านป่าข้าวที่ออกรวงในแปลงตางของเรารวงมันสวนกันเหมือนเนื้อเบอร์เราคพื่อยกันนะแล้วก็แวกไปแล้วเวลาแวกไปก็เอารวงเข้าวไว้หลังก็ผ่านไปผ่านไปถ้าแวกไปตรงไหนอันที่อยู่ข้างหน้าเราก็าอยู่ข้างหลังเรา สันใดก็ดีการปฏิบัติธรรมมันต้องเห็นเรื่องไหนนี้แหละความทุกข์ก็เห็นรู้แล้วผ่านไดแล้วมันอยู่ข้างหลังเราความจุกขก็เห็นผ่านได้แล้วความรู้ก็เห็นความหลงก็เห็นผ่านได้แล้วมันอยู่ข้างหลังเรามันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติหลงเจ็ข้างผ่านได้ทุกข้างหลงหนึ่งข้างผ่านความหลงได้หนึ่งข้าง เพะอะไรเพราะรู้วันทุกหนึ่งข้างผ่านความทุกข์ได้หนึ่งข้างมันโกรธหนึ่งข้างผ่านความโกรธได้หนึ่งข้างร้อยข้างเป็นหนอนผ่านได้ตลอดไม่มีอะไรขวางกันได้ตัวภวะที่รู้มันเป็นศาสตร์แห่งความตื่นความรู้ให้เหมือนเราเดินทางทางโลกทางธรรมมันผ่านได้เป็นทางผ่านหลุดพด้นไปมุดนี่เป็นจุดหมายปลายทางของ ชีวิตเราปลุดพ้นไปพ้นจากความหลงเล็กน้นอยไปอย่าไปประมาทหลงสุขหลงทุกข์แม้น้อยก็มีมีผลมากต่อไปโอ้ยเจ้าเปรียบเทียบกับน้ำหยดลงใจตุ่มทีละหยดตุ่มนล้นก็เต็นไปด้านาฉันได้ปฏิปฏิบัติประมาทไม่ประมาท ถ้าประมาทก็เหมือนน้ำหยดในตุม่มก็เต็มไปด้วยน้ำประมาทในความหลงความหลงก็มากขึ้นมากขึ้นไม่ประมาทในความไม่หลงความรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นนั่นเป็นการกระทำมันเป็นกรรมที่จําแนกได้จริงๆกรรมฐานเนี่ยไม่มีวิธีอื่นได้ที่เราจะต้องสื่อสารนี้นอกจากเรามาต่า อ, ออกมาจุ่มหมอง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 ควบลู้เป็นตามไม้ควบอะไรต่างๆมันตอบได้ไม่ต้องมีคําถามใดๆการไปบัตนะิธรรมน่ยการศึกษาธรรมนะน่ยมีแต่คาตอบเราก็ตอบไปเรื่อยๆไปหลุดตัวเองพ้นตัวเองไปเรื่อยๆไปจริงใดที่มันไม่พน้นจริงใดที่มาไม่พน้นไปก็เป็นเรื่องที่ที่สนุกไปสนุกกับเรื่องนั่นไป เช่นเราทํางานตรงไหนมันผิดเป็นศินละปะขึ้นมาตรงไหนมันถูกก็ชํานาญไปเรื่อยๆศิละปะในความผิดมันก็ทําให้ผิดเราทํางานอะไรก็ตามเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนายช่างเป็นอคอมพิวเตอร์พริมพ์ดีดเราตาเห็นอาจารย์ไปศานเนี่ยพิมพ์ดีจิตสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์นะ ถ้าเป็นนักเขียนนักแสดงอท่านก็ไม่ต้องดูหรอกมือเลยตกองท๊กแทกไปตามเรื่องของท่านเวลาผิดท่านก็ท่านก็โล่ก็กมาแก้ใหม่ต้องผิดเนี่ยมันเด่นอันต้องถูกไว่เป็นไรหมันเด่นกว่าตรงที่ถูกตรงรูมันมันไม่ค่อยเด่นถ้าตรงที่มันหลงอ่ะมันเด่นกว่าเหมือนแสงสว่างแล้วมัน เกิดเ um, ื่อใดๆอันม <mon 65> ืดม <mon 65> ันเห็นง่ายถ้ามันมืดด้วยกันมันมองไม่เห็นความรู้ความเห็นความมืดเห็นความหลงมันจึงเด่นทุกทุกทุกอย่างทุกอ่ะบัลลังก์เด่นในทิศทางของของความรู้ความหลงก็เด่นในทิศทางของความหลง้วเราเดินจงกรมน่ยทางเราเดินจงกรน่ ถ้งูหรือช้เดือนขึ้นมาขวางทางมันเด่นมันก็เห็นน่ละมันมันไม่ใช่ทางโตวรูปไม่เป็นทางควมหลงไม่เป็นทางมันก็เด่นเห็นไปเรื่อยๆแต่สมก่อนเดินจักรกรมนะ่ะทางเดินจักกรมต้องตกแต่งมันเหมือน เหมือนนะทานํามานไป่เราเดินทุกวันอ่าใช่เดือนขึ้นมาแล้วไม่มีแสงไฟตาก็ยังดีสมัยก่อนเป็นหนุ่มมันก็มองเห็นนะ่ะเพราะมันเป็นเงาไม่เป็นเงามืดไม่เหมือนทางมันเป็นเงาสว่างเหมือนกระดานเราเนี่ยมันสว่างอะไรมันขวงอยู่นี่เราก็เห็นอันเห็น น, นี่นี่มันปลอดภยัมดยมันหลุดจากมันหลุดจากความมืดได้ นี่เขาเหมือนกันการปฏิวัติธรรมประสบการเราเองบทเรียนเราเองไม่ใช่คิดหาคำตอบอานคิดหาคำตอบไม่เป็นจัจธรรมคิดได้แต่ว่าคำตอบที่เป็นจัจธรรมต้องไปเจ้าเอกันพูดว่าเจเอคนนึงจะเข้าประตูคนนึงจะออกประตูว่าพบกันตรงนั้น สติมือนกับท้าวานบานเพราะประตูความหลงความสุขความทุกข์ออกมาจากประตูในกายในใจเราปรติเฝ้าอู้แล้วพอความหลงเกิดขึ้นจะเอกันความทุกข์เกิดขึ้นจะเอกันความโกรธเกิดขึ้นจะเอกันเพราะหนึ่งเป็นเจ้าของอันหนึ่งไม่ใช่เจ้าของเหมือนเราเป็ัพย์สมบัติแม้แต่เด็กน้อย ลูกของเราเล็กๆถ้ามันอยู่บ้านโจรก็ไม่กล้าเป็นรักเพราะมันเห็นเจ้าของมันก็มีธรรมชาติเหมือนกันอ ะ, อะไรเป็นเจ้าของอยู่อย่างที่เราเมื่อวานวันอุเซนไปทำรางน้ำผลที่วัดภูกขถอกแล้วก็ขึ้นเอามากขึ้นไปทำรางน้ำผล แตนมันบินมาชนเราแต่มันไม่ต่อยโอ้ขอบคุณมันเออมันไม่ต่อยเออมันอยู่นี่เละเขาลบเขาหาวิธีอื่นก็บอกพระอย่าไปไล่มันนะให้มันอยู่นี่มันจะหมดพันแตนแล้วคนข้าคนทำลายตัวแตนตัวต่อเนี่ยมันทำลายด้วงในในอ้อยได้ดีกว่าอยาใช่ไหมเด ก็อยากไปทำลายมันแล้วให้มันอยู่แล้วก็หาวิธีไม่ไม่ให้มันกระทบกระเทือนแล้วก็ทำได้เคารพเขาถ้าไม่เคารพมันก็ปะทะกันเหมือนหลวงปู่เทียนบอกว่าเคารพขี้ไก่เอ้าเคารพขี้ไก่อย่างไรอย่าไปเหยียบมันมันเหม็นถ้ามันเหยียบบ้านเหม็นแล้วไปนั่งอยู่ไายเขาก็ท้องเราโอ๊ยเหม็นขี้ไก่เหม็นขี้ไก่ มันติดเหมือนกั น, นกรวมทุกของนขนความชั่วของตนไปย่อมมาเลยหน้าโวดหน้าเบื้งเนือไปย่ปยอมมาขี้ไก่มาแล้วหน้าเึื้องเบื้องโวดโวดติดไปเลยเออคนอเด่ น, นเห็นก็เหม็นไม่อยากเข้าใกล้หลวงพ่อโกมันหน้าโวดโวดร้อยของกว่างอุ้ยเลแต่ละขี้ไก่เคารุขบขี้ไก่คือความชั่วทั้งหลนายเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ <c oughs> ไม่รู้จกเลือกเลยบ้าหอบฟังเอาแต่พืชต่ผือไปการปฏิบัติธรรมนัน้นเป็นสิ่งที่เลือกได้นะชีวิตของเรามันประเสริฐจริงๆนะแต่ว่าอย่าไปติดอะไรมันสุขก็อย่าไปติดสุขมันรู้ก็อย่าไปติดรู้มันสงบก็อย่าไปติดความสงบมันจะแดงอะไรก็าดำอย่าไปติดมันไม่ต้องติดอะไรเลยเราไม่ต้องติดอะไรเนื <S <S ้อดี เนื้อศีลเนื้อธรรมเป็นเนื้อดีถ้าเป็นผ้าเนื้อดีนะถ้าเป็นผ้าก็เนื้อดีด้านการแสดงในคิดของเรามันมีบทปาดลายอย่างเอาให้มันจบจ้ะเห็นทุกแง่ทุกมุมความจบ ก, ก็เห็นความทุกข์ก็เห็นเบ็ดหยัดก็เห็นสมมุติก็เห็นปรมา จ, จิตจะก็เห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญามันเป็นสมบัติของเราจึงเหล่านี้นะ มันจะแดงหลวงกาเคยไปดูการแสดงไปสอนทมที่สิงคโปร์ไปกับพระพระลังเ็นเพื่อนกันไปด้วยกันแต่ก่อนพระพระลังก็อยู่นี่ด้วยกันก็เจ้าสิงคโปร์พาเราไปเที่ยว ไปทุกที่ทุกทางในประเทศสิงคโปร์ตอนเข้ามาก็พาพวกเราไปนั่งอยู่มันเป็นเวทีมันการไปดูการแสดงอะไรต่างๆเอ้าพวกคนสิงคโปร์มันไม่รู้เราเป็นพระเลยมันจะพามาดูละครอะไรการแสดงอะไรโดนตีอะไรเห็นแต่ลัมพงเห็นแต่อ่านเขาตั้งไว้บนเวที ก็าถามพระพระลังเอา้าเขาพาเรามานี่ทำไมก็ไม่รู้ก็ดูก่อนไม่ใช่เขาจะมาพาเรามาดูการละครการแสดงหลนตีเพลงอะไรต่างๆเลยดูก่อนมันจะคืออะไรดูแล้วในเบทีก็ไม่ไม่ใหญ่โตไม่มีผ้าฉากเบทีการแค่ง นี่แต่ลำโพงตั้งอยู่พอถึงเวลาคนก็มานั่งนั่งนั่งนั่งเต็มเวทีพอเวลาเขาเปิดแทงขึ้นเปิดแทงขึ้นการจะแงบนเวทีเป็นน้ำเห็นน้ำเต้นลำไหมขี้น้อยฮ <c ười> ะยเห็นไหมเออมันเต้นลำเลย เกี่ยวกันจบ ก, กันเหมือนคนอะสีสันต่างๆสวยงามภาพต่างๆเออเอามเกิดเออเขาจบไปคนดูก็ตบมือให้เกียรติเราเขาก็แสดงเขาขอรอกันเอเราก็ดูออ่มันแสดงอะไรที่มันเป็นภายนอกแต่การแสดงภายในของเรานี้มันจริงที่สุดเลย ก็ยังมาให้มันรู้เรื่องรู้ราวของเราเน่ยจบซะเงนพระพรุทธเจ้าว่าเจ้าชินแล้วความฉันจบ จ, จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วจิตของแล้วจิตของเราถึงแล้วชื่อสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปพระโอษฐ์ออกจากพระโอษฐ์พระเจ้าขั้งแรกที่สุด หลังเราตรวจเมื่อกี้นี่จิตของเราถึงแล้วซึ่งจะภาพอะไรปรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแต่ก่อนนั้นมีคือนิพพานมันมีไปนะแต่เนี้ยเขาลบนิพพา น, นออกก็เป็นจิตของเราถึงแล้วซึ่งภาพอะไรปรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งกลัวใม่จินไปแห่งตา น, นะมันจะคือพระนิพพานไปถึงตัวนั้นนะ เดีนี่ไม่มีไม่รู้ว่าไกลปวนี่ผ่านไปตัดออกแล้วก็สวดเฉพาะสิ้นไปแห่งตันหนะาตอนนี้นักพอ่อกับเชดไหลลงตาเชิดไคือถึงพอดีพานพอจบตอนนั้นก็หยุดธรรมะจบธรรมะเจ้าเพียงเท่านี้แม่มันสุดซึ่งเหลือเกินแต่ก่อนเราว่า่านั้นแต่ก่อนเราเป็นผู้ดำคว่าสวดมนต์พบทนั่นมาสวดบทไหนที่มันควรจะลงลงอย่างงดกงาม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 คนรูกคือคนไม่จนนะไม่จนเลยนี่คือสมบัติของพวกเรามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติทิพา์สมบัติเราจะไปจนไร่นี้ทำไมอ่นะเหมือนทรัพย์สินเงินทองท้ออาศัยเหตุปัจจัยภายนอกทำไรก็ต้องอาศั ย, ย, ย, ออศยแผ่นดินน้ำฝนมเมล็ดพืชเครื่องขายเครื่องอาวาน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 ไม่หลงทันทีเมื่อวันหลงลูกจึกตัวความหลงหมดไปทันทีความลูกมีขึ้นมาทันทีที่สารพัดนึกจริงจริงการปฏิบัติธรรมเป็นกบเป็นกรรมขึ้นมาไม่ใช่เลื่อนลอยไม่ใช่ไม่มีอะไรมันมีเดี๋ยวนี้ลูกเดี๋ยวนี้ความหลงก็หมดไปเดี๋ยวนี้ความทุกข์หมดไปเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่ว่าเสี่ยงมันไม่ที่หายเพราะแรง่งเพราะท่วมอะไรมันเป็นได้มันทำได้มันทันตกทันใจเหลือเกินไม่มีสิ่งใดที่ทันใจเท่ากับสร้างมรรคสร้างผลนะชีวิตของเราเพื่อการนี่โดยตรงอันอื่นเป็นอิทิเล็กงานที่เราเป็นหน้าที่ของเราคือสร้างตัวนี้ขึ้นมา ให้มันมีซะจะได้อยู่หนอโลกถ้าไปมีสมบัติดีมันจะอยู่ในโลกโลกทับถมไปเรื่อยๆไปจึงอยากจ ะ, ะโกนแหลกแหลกว่าเนี่ยพระสูตรพระธรรมาำสอนเนะี่ยมันเป็นสมบัติของเราร้อยๆ้อยอย่างเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อความหลุดพ้น พระเจ้ามองบอกพระสงฆ์ว่าเอาใบใบบ้างเอาน้ําไหลบ้างเอาท่อนจุงบ้างพระองค์จะพาพระสงฆ์ไปนั่งอยู่แม่น้ํเนาเลือนฉละแม่น้ําอะไรต่างๆเห็นท่อนจุงลอลอยมาตามลําน้ําพระเจ้าก็เปรียบเทียบดูพระสงฆ์ ดูท่อนจงมันลอยตามน้ำมาท่อนจงบางท่อนเกยฝั่งซ้ายเกยฝั่งขวาท่อนจงต้นนั้นก็ไม่ถึงที่สุดแห่งสายน้ำเกิดงานแล้วไปยกขึ้นไปไปแหละไปช้าแหละไม่เหลือเป็นท่อนชงุทนชงท่อนจงท่อนใดติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาวก็ไม่ถึงที่สุด การปฏิบัติธรรมมันเป็นเอียงไปไหลไปสูมักสูผลถ้าไปติดฝังสายคือดีใจเออฝังขัวคือฝังสายคือเสียใจลบออกฝังขั้วคือดีใจฝังสายคือผิดฝังขั้วคือถูกฝังสายคือทุกข์ฝังขั้วคือสุขมันเป็นฝังสายเปล่ยนขั้วมันเป็นบวกเป็นลบต้องรอยไปสิพระสงฆ์ทันหลายอย่าไปติดฝังนะ ที่สุดตรงน่นหละบางฝับางองบางรูปเนี่ยบรรลุทําเลยเห็นท่อนส่งร้อยไหลมาบางรูปเห็นใบไม้ร่วงลงมาติดอ่ะบรรลุธรรแล้วมองชีวิตเนามันก็เป็นเช่นใหมใหมๆ ม, ม, มันหล่นลงมาถามาดูตัวเองแม้แต่ป็งเคี้ยว พอเห็นก้นผมปวดทีแรกก้นผมผมตกลงมาเห็นผมตกลงมาบรรลุธรรมแล้วนอกรูปแบบเยอะแยะการบรรลุธรรมสมัยขั้งพุทธการเอามาสอนบางทีพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าสอนพระสงฆ์เอาเยี่ยงกวางบ้างเยี่ยงไก่ป่าบางดูที่พระสงฆ์วางมันเดินหาจินมันเป็นไงมันมาเช่ รุดๆไปเหมือนอวัวมันก๋วยละก๋วยเรามันทางอยู่ตรงไหนมันวิ่งไปแต่ควางไม่ใช่วิ่งตามทางมันจะเดินไปตรงนั่นก็ดูไปนั่นเดินไปตรงนี้ก็ดูไปตรงนี้เดินไปตรงนั่นไม่เหยียบทางนะมันไม่เหยียบทางมันเดินข้าวไปนั่นเดินข้าวไปนี่ไปพิจิตร่างหลาดดูกวางมันเดินหากิน มันมีสติก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดปันรู้นะหลวงตาเคยไปอยู่นิวยอร์กไปนั่งทำสมาธิสร้างจังหวะเหมือนเราเนะี่ยไปท่าทายความหนาวไปอาบโสนลองดูมันจะหนาวขนาดไหนที4สี่ที่สามเนี่ยไปนั่งทร้างจังหวาใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าใส่ ห่วงข้อไปห่มผ้าจีวรจะนั่งอยู่แต่ก่อนเราก็สีเหลืองพอลั้งไปนานก็เป็นสีขาวน้ำแข็งเกาลงพอสว่างมาจักหน่อยกวงป่าเดินมามันเดินมปจาังหวะไปขอขอพูดจังหน่อยเนาะฟังไหม <laughs> อมาดูรูออนเดินมาข้างหลังพอมันเดินมามันก็มองหน้าขึ้นไปรูปมันแล้วก็เดินไปรูปมันก็ไม่ใกล้แม่นะมามาเห็นเรามันก็มองเราเราก็นั่งอยู่ไม่กระดุ ก, กระดิกพอมองเราก็มันก็เดินเข้ามามันด่าใจใจมาอะไรก็เดินเข้ามามันก็มาอ่อน เอาจมูกเมืเดินเข้ามาหาทีแรกมันกลับบองลูกมันอย่าบางกันนะมันค่ายๆบอกกันนะอะไรนี่เราแม่ดูก่อนแล้วก็แล้วก็เด๋จะบอกว่าสูรสู ด, ดนหน้าเราเราก็ปิดหน้า่ว น, นั้นแต่ว่าใบหน้านยังเห็นอ ย, อยู่แล้วก็มาสู่หน้าลราลองตาก็เป่าปากกัน <laughs> เขาว่ากลัวไง ฟันมันคบนะเอาจะกลับจะบุ ก, กเราเรเร็วนะแล้วก็ถอยออกไปแล้วก็บอกลูกว่าไปไปทางนี้ไปทางหลังไปเดินไปอ่าพระเจ้าชัดสอดเหลือเกินเอาเยี่ยงขอกว่างป่ามาสอนพระสาวกทั้งหลายก่อนจะพูดก่อนจะทําก่อนจะคิดมีสติก่อนรู้แล้วรู้สึกตัวค่อยพูด เวลาไม่รู้เตืออย่าพูดต้องหัดตัวเองถ้าหัดแล้วมาใจนานนะเอาไว้ภาสายมาไม่ก็ไปแล้ะภาษาจะมาอีกวะพวงตอนนั้นพอพายอีกก็มาดืนให้ลูกกินนมมันเป็นฝั่งสะกรอบสะมันสูงขึ้นมาทางล่างมันเป็นอะไรลงไปานอยู่ข้างหลังเราเขาก็ให้ลูกกินนมพระลูกกินนมลูกมันนอนลง ลูกมลมก็รีบไปเลยะวะเนี่ยพอสว่างมาหนีจากลูกไปเลยเอา้ากวางตัวนี้มันทําไมทชื่งลูกน้เนา่เคยเป็นเหล็กเลี่ยงวัวใช่ไหมก่อนวัวเนี่ยเป็นออกลูกใหม่ทางเข้าบ้านเป็นเลนเป็นโคนมันไม่สามารถที่พาลูกเข้าบ้านได้บ้านเมืองใช่ไหมก่อนไม่มีการพัตามีเลนมีโคนถึงทอง หงัวท้องควายนี่นอันวัวแม่ลูก่อนมัเอาลูกไปนอนในป่าแล้วมันก็ทิ้งลูกมามาอยู่บ้านลูกมันก็นอนอยู่ในป่าอพอไยไปเราก็มาอยู่บ้านไม่เห็นลูกวัวก็บอกว่ามันซ่อนในป่าเอ๊ะมันซ่อนได้ยัง ไ, ไงมันไม่ห่วงลูกเลย มันมีวิธีอะไรกับลูกเสือก็มีหมาป่าก็มีทําไมไม่มากันลูกบัวมันมีอะไรเนาะมันดีกว่าเราไหม <c oughs> เราสามารถลูกน้อยนอนในป่าได้ไมั <c> ้ <oughs> มุดเจาะอะไรจะกินเงินลูกบัวตัวนเล็กๆเนี่ยไม่เป็นเลยขี่น้อยพอไปปล่อยไปบัวตัวนั้นเลี้ยงไปมันก็ไปกับหมูพอพบไปถึงตัวนั้นมันวิ่งไปหาลูกมาเลย ลูกก็ลุกขึ้นเงี้ยกนนมตามโลกไปเข้ามาอีกไปเจียงมาอีกอันกว้างตัวนั้นเอามาเออมัน ด, ด่าจะเหมือนเราเลื่องบัวสมัยก่อนว่ามาเอาลูกไว้ได้หนระเออก็รู้กักนเออถึงเวลามาฉันเช้าก็มาฉันเช้าก็เลยไปเป็นเพื่อนของกวงน้อยตัวบัวมาป่ามาป่าก็เยอะนะสะัตวนะ์น่ะตัวใหญ่เลยฮะ มาป่าไปจะเข้าทาไมนาะเราก็เลยไปนั่งเดินจงกรมเป็นเพื่อนกวางน้อยตลอดวันมาข้ามาข้ามาก็ยังไม่มาแม่กวางเอ้าไม่ทำไงล่ะบ้าหรือเปล่าน้อแม่กวางตัวนี้น้อกนั่งมาทำไงพอข้ามามึบมึมมมายืนลูกเาก็ลุกขึ้นมากินนมพาลูกไปเลยโอ้เหมือนกับเราเลี้ยงวัวใช่ไหมก่อน อันนี้สัตว์ป่านะอันมันก็มีอะไรที่น่าศึกษาพระเจ้าจึงเปรียบเทียบไก่ป่ากวางป่าแย่วันเวลาออกหากินนอ่ะมันโขขึ้นหัวขึ้นมาปั๊บแล้วก็มองหน้ามองหลังจะไปทางไหนก็ไปไ ป, ไปแล้วก็กลับมาาลูกขอกมาช mm hmm. ีวิตเรามีมีบ้านนะอย่าไปแต่ไปเ ถ, ปถปกลับมาความรู้จักตัวเรากลับมากลับมากลับมา แต่ไก่รุ่นเนี่ยติดบ่วงนะไก่จ่าไม่ติดบ่วงรู้ จ, จักไก่จ่าไหมหางบันแฉมมันย่อยลงถ้าไก่ล้ น, นรุ่นเป็นจุลูเนี่ยอันนี้ติดบ่วงดีเดินไปไหนรุ้นๆๆรอพวกนายพรานทั้งหลายไปดักบ่วงได้ไก่รุ่นไก่นมนมสาวๆมันติดไก่จ่านี่มันเคยมาแล้ว <laughs> เคยลูกเคยหลงมาแล้ว ใครเคยรู้เคยหลงเปลี่ยนความหลงเป็นตัวรู้หรือจ่าแล้วหัวหน้าแล้วไปเลยห็นไหถ้าใครหลงก็ยังดูนะั่นแหะประมาทอยู่ดื้อด้านอยู่ไม่เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เน่าจะไปที่ถึงไห น, นก็อยู่ตรงนั้นทีเคยเจ็บเจ็บตายตรงนั้นนะเอวัาางก็มีด้วยประกาศชนีถ้ถงอกับพ่อๆกัน